ก่อนตายไม่เคยทําบุญเลยมีแต่จุดกระดาษเงินกระดาษทองเพราะเขาเป็นจีนแต่นี้พอสลบไปไงสดสลบเมื่อตอนบ่ายพอสลบไปแล้วยบ ม, มาทูดหอบลักแร้ไปเลยเป็นยังไงจีบเกาะลักแร้ไปเลยจะพยายามหนีเขาทอะไรแบันนี้ไม่ออกโอ้เมื่อกับเราเนี่ยเป็นเด็กเขาเป็นผู้ใหญ่เลย เขาจับแล้วแน่นมากเลยงั้ยมิตเตเยกให้ให้คนช่วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเถอะเห็นคนผ่านมาที่รู้จักกันเขาก็ไม่ได้ยินเนหมือนกันเพราะว่าผีเรียกไงใช่ไ่มจะได้ยินยังไงไม่ได้ยินเขาก็เดินเชยออกมาโอ้หมดหวังแล้วเงี้นเขาก็ไปไปไปไ ป, ไ ป, ไปพาไปพอไปพ้นคนเอา้าเดินมนะันเม่นก็จับนักโทษไปนะเงั้นะ ที่ยังไงกันหนีเขาไม่พ้นแล้วเขาก็ให้เดินบัตรเขาไม่ล็อกนักแล้อย่างเก่าไม่ล็อกแขนอย่างเก่าแตะกอนสองคนล็อกแขนหนึ่งกันเอะพอไปถึงศาลาหลังหนึ่งบ้านใหญ่อยู่มีสนามหญ้าเต็มไปหมดมีสนามหญ้าแล้วก็มีคนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นจมย่อมกูเรียนนี่ก็หิวข้าวใชไหมหิวข้าวหิวน้ํา พอเข า, าเอาอยู่ที่นี่ก่อนนะก่อนจะได้ยินเสียงประกาศหาเชื่อนั่นี้ยิ่ยไปนะสลาหลังนั้นลหละสลายมมาทูเหมาอนกนเถิดที่ตัดสินใครทำบาปทำกรรมเหมือนเถิตดตอนนี้ก็ไปถึงสนามตะแก่หิวข้าวเลวเกินก็เดินโตเต๋ไปเดิมๆจะไม่มีใครรู้อยูอ่บ่แถวนี้เหมือนกันพอไปไปเห็นโยม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 กูเดินมาแล้วเนี่ยใช่เพิ่งมาบม่เองก็เลยคิดวตัวเองตายแน่ๆ แ, แล้ววะ่ะเพราะคนนั้นนายกเนี่ยเราก็ไปเผาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองเราก็มาเจอเขาอย่างนี้เราตายแน่ๆ แ, แล้วเดียวกัน้นแต่จะทํำยังไงได้ก็มันหิวข้าวเนี่ยก็ร้องโอ้ก็พอทําความรู้จักกันแล้วก็แบอบกว่าแบบให้อ้วกจริงไรไหมอ่ะอ้วกหิวอาหารหมักาทางคนนั้นบอกโอ้ มาอยู่เมืองผีอลไรอย่างนี้มันขอกันกินไม่ได้เด้ไม่เหมือนเมืองมนุษย์นะของใครของเราของใครของเราถ้าเมืองผีอย่างนี้ยก็ไม่ว่าอยาจะกินก็กินได้เอาเลยนี่อาหารต้องการอะไรกินเลยกัวเดียนต้องกินอะไรกินได้เลยแต่นี่แต่แกจะไปจับน้ําก่อนแล้วกันไปจับน้ำโป๊ะโป๊ะมันเหมือนกับจับถ่านไฟอย่างนั้นเลยกี่ฟองนั่นเอมันร้อนเหมือนกันแต่นี่ก็ไปจับอาหารไปจับอาหารก็ร้อนอีกฟองอ กินไม่ได้แล้วไนงะโอ้กินมาได้แล้วมันลอกมากทางคนนั้นก็บอกเนี่ยของคุณนะั่นนู่นไปดูที่อันนี้สูงของคุณที่คุณทําอำกูเดียงกเลยไปไปโอ้มีตะกันกระดาษเงินกระดักทองกินมาหลายแล้ว น, ะนี่ว่าทำไมก็เลยไม่ได้กินเหมือนกันพอได้กินมาแล้วก็มานั่งซบเซาหิวอาหารนะจากนั้นไม่นานยกมาทูดเขาเก็เรียกไปซาลายหญ่ นายโกเทียนนามสกุลนั้นขึ้นมาแต่นี่ก็พวกนี้ก็ปุ๊ปั๊บนำไปแล้วัน่นแะสองคนนี่นำขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จแล้วก็โอ้ไปเห็นแล้วพญายมมาทูดพญายมพอบานเนี่ยมองนอกมองหน้าไปไมันกลัวอะไรอยงั้นเอมองหน้าไปไหนหน้ากลัวมากเลยเข้าไปแล้วก็มาก้มหน้าเลย <c oughs> เหมือนกันนักโทษเห็นเออเห็นพิพากษายอย่างนั้นแหละวงั้น เ, นเอ เห็นพี่ภาคสารก้มห น, น้าท่านก็เปิดบัญชีนะชื่อวาา่าไงเสนอวันนายกวเทียนนามสกุลฮนะหยบประตูมันกลับคนมาผิดแล้วเนี่ยไม่ใช่ชื่อนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่อีกคนหนึ่งนั่นนี่มันอีกคนหนึ่งนี่อันนี้ไม่ใช่นั่นะนี่ฮะไปเอกไปเท่านี้กลับทรงมันไม่ถูกยี่ยมไถึงเวลาของเขาไปนะ ทาหารสองคนก็ได้แขนในก็วิ่งเร็เหมือนกันเลยวิ่งมาหามหาซากศพเหมือนกันเลยพอมาอิลุงตุงนงังอิลุงตุงนังมาแต่แกมาเห็นกลางทุ่งนามีทะเลทรายเมื่อทะเลทรายนะเป็นท้องนาแต่ทะเลทรายมีควายตัวหนึ่งมันนอนตายอยู่ในในทะเลทรายเนะี่ยเห็นแต่ชี่โครงของมันม น, นุ่งแล้วก็หนังหนังรองพื้นหนังควายข้างล่างไม่เน่าเล แต่ข้างบนหน่งมีชีโคงมันมีน้ําอยู่ในในขังอยู่ในชีโคงควายที่หนังควายข้างล่างแต่ชีโคงควายมีพวกนี้ก็ดึงผ่านไปพ่อปานอผมหิวน้ําลระเกินครับเอออยา ก, กินน้ํำแล้วครับกินที่ไหนนั่นแล้วเห็นน้ําโคงควายนะ่ะมันหิวมากผมขอกินได้ครับเย ก, กินน้ําแล้วเออไปพอกินแล้วเราผักหัวเข้าไปพอผักหัวเขาไป เงียบเิ็บเลยทตนี่พอเงียบเิ็บทตนี่นู่นล่ะเขาเขาตายตั้งแต่บ่ายบ่ายสองสามโมงเมื่อวานแล้วก็ผ่านมาทั้งคืนอีกจนมาถึงตอนเช้าวันนี้พระฉันยังหานเสร็จสวดมัตติกาอะไรเสร็จเมื่อไงตัดสวดมัตติกาอะไรเสร็จพระฉันยังหานเสร็จพระ ก, ก็กลับวัดพอพระกลับวัดทตนี่โกเดียนฟื้นมาเลยอยู่ในหี มันอยู่ในหีบเล็กๆเลยก็เอาผ้าขาวปิดไว้เพราะยังตัวยังอ่อนอยู่เขาก็มีแต่มัดแขนกับมัดขาไว้ไงในในหีบกลัวผีกลัวผีจะกระโดดไปไล่คนเหมือนกันมัดขากับมัดแขนเขาเรียกมัดตราสังเหมือนกันแต่เออมัดตราสังไม่ให้ผีดิ้นเหมือนกันแต่แต่แต่แตะแก่ก็ฟื้นขึ้นมาได้กูอยู่ที่ไห น, นาาแล้วทำไมแคบขนาดนี้เหมือนกันน่ยจากนั้นก็ใช้ซอกใช้สอกกระแทกฝ้าหีบเหมือนกันไอ้กระแทกลงกึกกึก ไอ้พวกขี้เล่าทั้งหลายพอพระไปแล้วก็เลี้ยงเล่ากันแล้วบา่านนี้พอเล่ากันมั่เสียงกึกกึกกึกเท่านั้นแหละขี้เล่าเสียงอะไรบ้าเสียงกึกกึึกอีกอาก้าวกัวเดียนเฮียนแล้วบาทนี่ต่างตัวต่างขี้เล่าทัา้งหลาก็โดดออกจากบ้านไปเลยว่างั้นเถอะเพราะว่ากวัวเดียนมันเฮียนเหมืนคณะกลางวันแสกแสกจะมาหลอกกันได้ว่างั้นเถอะยังเคาะลงใส่กันอีกต่างหากเลย ต่างคนก็ต่างแผ่นแแบบโรงงานแต่ทีนี้คนก็แตกนี้กเอ๊ะมันเป็นยังไงทําไมมันมันเสียงดังอย่างงั้นวะเสียงดังครอบเป็นระยะระยะเนละแต่นี้ยถ้พวกแม่บ้านเนะ่ยพวกเมียของกัวเดียนกับคนวัดคนวายันไปวัดนะแล้วก็ทายกวัดกับเอ๊ะไปดูซิพวกเราจะไปโกยอย่างนี้ได้งไงไม่ใช่มันฟื้นเลยเนะี่กวเรียนฟื้นแล้วเนะนี่พอดีก็ กัวเดียนกัเป็นหัวหน้าไปเหมือนกันไปสองถ้าตั้งกลัวด้วยเพราะมันมันเสียงดังดังเป็นระยะระยะเหมอนกันเลยตอนนี้กลัวเดียนจะไปพวกนี้ก็อยากไปด้วยไปปุ่นก็จับเอวกันเหมือนกันเองูกินหางยังไงก็อย่างนั้นเลยเกาะเอวกันไว้ต่อหนึงไม่ให้วิ่งหนีกันได้เหมือนกัเลยเหมือนกับงูกินหางตอนนี้ถ้ายยกกับไปกับเปิดบนพอเปิดดูเท่านั้นแหละกลัวเหรียญอ้าปากเอ้ยเอ้ย มันมันมันบอกหิวน้ําหิวน้ําแล้วก็จะหนักเหมนกันมั น, ม, นมันหิวแล้วมันตั้งแต่เตมื่อวานตอนตอนบ่ายกลางคืนเด็กจนถึง ต, ตอนเช้าอีกตอนเช้าประมาณสามสี่โมงเนี่ยพระฉันจะงหันเสด็จกว่าจะสวดอะไรกลัวอย่างไรผ้ากลับไปเลยแล้วเลยก็บอกปงัปงง่าปังงบาก็ว่าโอ้คืนแล้วจากนั้นก็พอพากันยกขึ้นมาก็เลยตัดเครื่องพันธนาการตายสังออกว่างั้นเลยตาสังที่มัดขา ข้อขากับข้อแขนมัดออออเอาออกพอเอาออกเสร็จเรียบร้อยเลยก็เขาก็เลยพวกหนึ่งกับวิ่งไปหาน้ํามาน้ําต้อมอุ่นๆนะมากระใส่สำํำลียอดเข้าในปากหยอดเข้าไปหยดเข้าไปหยอดเข้าในปากมันอาปากไมได้นะมันเหน่อยพอหยอดเข้าไปจัดพักหนึ่งพอน้ําถึงคอเท่านแต่แกวนะ่ว่าน่ะพอน้ําไหลถึงคอท่านนะ่ะลืมตาลืมตาโพงเลยว่างั้นพอลืมตาขึ้นมา ไม่ด้าปากก็เลจับลุกขึ้นมาจากนั้นพวกไปต้มข้าวก็ต้มข้าวต้มข้าวต้มนะต้มโจ๊กก็มาจากนั้นเขาเอาน้ำหยดเข้าไปเรื่อยจากนั้นเอาน้ำมากินพอน้ำตกไปในกระเพาะตกเข้าไปตกเข้าไปทุกคนยังดีอยู่ไม่มีอะไรจากนั้นก็ให้กินข้าวต้มพอตินงข้าวต้มไปสักพักหนึ่งเนี่ยพูดออกมาทีแรกก็ไม่มีเสียงเลยไม่ถ้าอ มันมีตะลมออกมันไม่มีเสียงเหมือนันแตมันเหนื่อยปากเฝาไม่บมดเหมือนนแต่ผัวในจุดก็เลยถามไปถามมาไปไ็นไงก็เลยบอกโอ้ไปสลบไปห ม, หมวกหมวกวานวานี้เหมือนนไปถึงไหนเขาว่าเดี๋ยวจะพูดให้ฟังทีเดียวเลยเหมือนกันเดี๋ยวให้หายซะก่อนแล้วค่อยพูดให้ฟังให้ค่อยฟังเนะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังแต่พูดให้มันจบให้มาฟังนะเหมือนกันจากนั้นตาแก่ก็เลยฟื้นคืนมา สองสามวันเดินได้อะไรได้เลยเขาก็เลยมาลุมกันทั้งเป็นยังไงสีตายสฉลบไปเกือบวันหนึ่งกับคืนหนึ่งวันกว่าๆนะเกือบยี่ิบสี่ชั่วโมงนลยไปยังไงแต่แกก็เลยเล่าเราเราเลองให้ฟังเราแกรูบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงพอตายไปเท่านั้นแหละทหารยมมาทูดมันล็อกแขนทั้งสองข้างสมัดเท่าไหร่มันก็ไม่หลุดมนมันแข็งแรงเห ล, ลือเกินเหมือนกัน จะบุตรสะบัดได้ไงสะบัดกําำใช่ไหมกําำตัวเองได้กระทาไว้แล้วเหมือนเป็นตํารวจทหารเลยมันล็อกแขนไว้เลยเหมือนกันพาไปพอไปถึงเลยถึงสนามหญ้าลานหญ้าเขียวจะอุ่มไปหมดเลยแต่กุกคนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มสรุปแล้วก็คือคนพวกนั้นก็คงขึ้นไปคอยฟังคําพิพากษาของยองมทยูตตรงกันเถอะจากนั้นตาแกก็เลยโอ้ไม่เอาละใช่ไหม แต่ก่อนแต่แกก็เป็นผู้รับเหมาคนจีนเน๊จีนปากน้กําโพเหมือนกัปากน้ําโพนครสวรรค์อ่ารับกัรับเหมาด้วยแล้วก็เลี้ยงหมูด้วยเเลี้ยงหมูขายเหมือนกันแต่แต่เมียเนี่ยมีได้เข้าวัดเมียคนไทยแม่บ้านเป็นคนไทยพาเข้าวัดแต่พวกลูกๆ ก, ก, ก็มีก็มีฐานะในถิ่นนั่นก็ว่าเขามีฐานะคนหนึ่งเหมือนกันแต่ แต่วตรงนั้นเนี่ยคือเจ้าคุณอุบาลีคุณองประมาจาร์ไปสร้างวัดเลออกจาก ว, วัดบ่อหล่ในวาดแล้วต่างกัขึ้นไปสร้างวัดนครสวรรค์จาไม้ก่อนมันล่องล่อ ง, ล, องล่องเรือเลยล่องเรือขึ้นไปทางเชียงใหม่ก่อนที่จะขึ้นไปก็ล่องเรือขึ้นไปเรื่อยๆเรือกลนไฟเขาไปถึงที่นั่นก็ต้องพักที่นั่นก่อนก็พระเจ้าคุณอุบาลีจึงก็เลยสร้างวัดขึ้นมาก็มีลูกศิษย์อยู่ จากนั้นคนคนครสวรรค์ก็ปากน้โาโพก็ไปวัดเนี่ยนะไปวัดหลวงปู่อุบาลีคุณูปมาจาร์ที่เป็นเพื่อนของหลวงปู่มั่นเราเนี่ยนะท่านก็ไปปฏิบัติอยู่แถวนั้นเป็นอบรมแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนจากนั้นน่แหละโยบุบาสศิการแม่บ้านของโกเดียนเนี่ยก็เข้าไปปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์ที่สุด เนี่ยแหละโกเดียนก็เลยโอ้ไม่ไ ล, ล่หรอกในพังศาเนี่อ้วกเกือบตายแล้วอ้วกจะข้อบวกพังศาหนึ่งโกเดีย น, นว่าผลที่ชุยก็เลยหมูอยู่ในอยู่ในคล อ, อกในเล่าเนะี่ะเขาจะง่ายหมูหมูเนี่ยอยู่ในคอกในเล่าอ๋อถ้าหมูอยู่ในค อ, อ, อ, อ, อ, อ, อกในเล่าก็ถ้าขายไปเขาก็จะต้องข่ามังอีกอเพราะนั้นอ้วกจะปล่อยกลางคืนเหมือน ไปนกลางคืนมากันจับหมูไมปปล่อยแล้วงั้นแต่ชุดแท้แต่มึงจะไปได้กับของมึงจะไหนจะมัเกิดมาเพราะกรรมกูบอขากูเราไม่ฆ่าไม่ขายแต่แกอีกแล้วไแต่แกก็เลยปล่อยหมูกลางคืนแล้วงั้นชุดแท้แต่มันจะไปที่ไหนนี่แหล ะ, ตะแต่แกก็เลยยุดในการเลี้ยงหมูฆ่าเงั้นแหะขายหมูเนี่ยจากทางนั้นมากันเรื่องราวเป็นยังไงหลวงพ่อก็ไม่ทราบเพราะเขาเขียนไว้เพียงแค่มันเป็นหนังสือเป็นเล่มเลยเป็นหนังสือเป็นเล่ม โกเดียนตายแล้วตายแล้วฟื้นเหมือนกันค่ะสรุปแล้วก็คือใครทําบุญอันไหนไว้คนนั้นจะได้รับผลของของบุญกุศลที่ทําเอาไว้ทำไม่ได้ทําไว้มันก็ไม่ได้รับหลวงพ่อก็มาพิจารณาดูวัดหลวงพ่อนี่วัดหลวงพ่อเป็นสวรรค์ไกลๆเหมือนกันนะทําไมะถ้าสมมติว่าพวกเราทุกคนใส่แต่ข้าวเหนียวนีว่พวกเรามากินก็ได้กินแต่ข้าวเหนียวใช่ไหมถ้าพวกเรามาใส่ข้าวเจ้ามาพวกเราก็ได้กินแต่ข้าวเจ้าใช่ ถ้าพวกเราใส่อาหารเข้ามาถวายพระพวกเราลงไปก็ได้กินอาหารนี่แต่ลงุงลุงปู่จึงทองอยู่บ้านห้วยทรายพอเสร็จแล้วลุงปู่จึงทองเสร็จแล้วก็ตั้งจันทร์าลาจันเดียวนี่โ ย, ยมก็ไม่มากพอจันท์เสร็จแล้วท่านก็เอาพากันกินคนหนึ่งก็บ่นขึ้นมาโอ้ยไม่มีเจลียวไม่มีพริกมั่งมีแต่ผักไม่มีพริกกันจะไปกินได้ยังไงเลยมั้ยกินผักกับข้าวเหนียวได้ยังไงพราไม่มีเกลีวยว ไ, ไม่มีน้ําพริก หลวงปู่สิียงทองก็บอกเลยถ้าเราไม่ทําบุญม า, าไม่ถาวายมาเราจะไปกินน้ำพริกได้อย่างไรเพราะมันไม่มีเออถ้าพวกเราถาวายพริกมาพวกเราก็จะได้ทานทานน้ำพริกกับผักอันนี้พวกเราไม่ได้ทานมาไม่ได้ทําบุญมาจะไปกินน้ำพริกได้ยังไงพวกเราถาวายอันไหนมันก็ได้กินอันนั้นแล้ะที่วัดของเรา